10 นาทีต่อไปนี้สํานักงาน ปปส. มอบ 80 พรรษา 5 2550 รวมพลังไทยขจัด ร่วมเทิดทายองค์ราชานหมอกสลายที่ปลายฟ้า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 ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้ล้มย่าเสียดิบ ดร. เจรวยพรทรณินอาชีพ หมอกสลายที่ปลายฟ้าตอนที่สิบความเดิมตอนที่แล้วปลายฟ้าตอนที่ 10 ความเดิม จะเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปใจหมอกสลายที่ปลายฟ้าเห็น ลูริยมันจะต้องมาอับอายจนแทบ แต่ใครจะเป็นรู้ล่ะว่า ได้หมอคนสวยของพี่นะทั้งจับทั้งควานหนอง แล้วแก 2 คนเป็นอะไรก็เป็นหน่อเอ้ยไม่ใช่มันไม่ ก่อนค่ะครูใหญ่ครับพอหมอโทรไปผมก็รีบมา ต้องรักษาค่ะพอดีมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องนี่คุณอย่าเพิ่งพูดเป็นเล่นได้มั้ยได้สิได้ ถ้าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องรู้เพราะเกี่ยวข้องกับยาบ้าหมอก็น่าจะให้ข้อมูลผมได้นะ ไงล่ะนี่บานิลูกก็มาเป็นความรับสําคัญแม่ออกไป หนูว่ามันจะมีปัญหากับหลักการทํางานแบบสันติ อาจจะเกี่ยวข้องกับ 2 คนนี้งั้นเด็ก นอกจากรู้จักบ้านยังสนิทกับยายของเด็กด้วยค่ะครูใหญ่งั้นเราไปกันเลย <c oughs> หนูสงสัยตะมลั่วนะคะไม่หรอกเจ้าปอคุณยายกับหมอน่ะมาเพื่อช่วยปอนะไม่ได้มาทำร้ายหนูเคยไปขโมยของที่บ้านคุณยายแล้วเกือบถูกจับได้ค่ะหมอไม่ให้คุณยายเอาเรื่องปอหรอกจ้ะแต่ปอต้องไม่ปิดบังเรื่องของปอกับหมอนะค่ะคุณหมอเอ่อปอติดยาบ้าที่ไหมเอ่อเรารู้กัน 2 คนก็ได้ ไม่บอกยายแล้วก็ไม่บอกน้องชายปอบอกยายแล้วก็ไม่บอกน้องชายปองั้นก็ได้ค่ะ ก็แสดงว่าปอก็ คุณออตินเน่เข้าไปคุยกับมันในบ้านนานขนาดนี้ ผมหัวไม่ดีนั่นคุณหมอออกมาคุณยายดิฉันก็นั่น แล้วปอเค้าก็ไม่ค่อยสบายหมอเนี่ยเออได้อย่างทําอ่างั้นก็ไปเป็นลูก ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดคุณมนชีบศิวะสินากร สำนักงานปปสช่วยหาคนงานให้ข้าวก็ทานแล้วช่วยขับหมอขอไม่ได้ไล่ค่ะ ตะเนชชวนบทอย่างเงี้ยยังมีวัฒนธรรมที่ดีคือชายและหญิง ทั้งที่จริงฉันเคยตั้งใจไว้ว่าผู้หญิงก็ทําทุก ทำหน้าเหมือนอยากจะกัดฉันอย่างนี้สินายทัน จะพยายามช่วยหมอไม่ว่าเธอๆอ่ะฮะงั้นฉันแค่ถามว่า ชนกันเลยหยหวานเกิดเหตุเพราะเขาต้องการอะไรสํารังไม่ทันขึ้นจนๆจนกว่าจน ตาพี่ไม่เป็นไรแล้วค่ะใจหวันเข้าห้องก่อนนะคะจะได้เตรียมแผนงานไว้ประสานกับครูใหญ่ที่หวันจะมา พวกใครเป็นผู้ช่วยหรือ มีตั้งเข้า来ข้าให้พวกเอ็งหมดเลยขอนั่นพี่ เพื่อนน่ะสิวะจะไปสนใจทําไมอ่ะหามีเพื่อนเป็น ฉันก็ชักจะง่วงเหมือนกันแล้วล่ะอะไรเดี๋ยว ใช่มั้ยครูช่วยแม่ผมด้วยครับช่วยแม่ผมด้วยแม่แม่ไหน จำแม่ของเธอท้องแก่ด้วยใช่ไหมว่ากําลังท้องแก่แม่ของเธอท้องเอาครับน้อย ทลายนายแพทย์บุญเรืองใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดนาย นักผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิพัตนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกษัตริย์ธีระบุญยฤทธิ์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศนฐานาอาสาควบคุมเสียงอาธร